พระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดพระสูตรที่สิบเอ็ดถ้าสุดตระสูตรว่าด้วยธรรมะหนึ่งถึงส0ประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ประทับอยู่ที่ปังสะโบคกรณีชื่อคัค ข, ขราเขตกรุงจำปาณที่นั้นท่านพระสาริบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องสุตระสูตรอันเป็นธรรมะเครื่องปลดเปลื้องกิเลส เรื่องร้อยรัดทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานเพื่อทาที่สุดทุกธรรมะหนึ่งถึงสิบประการที่มีอุปการะมากที่ควรเจริญที่ควรกําหนดรู้ที่ควรละที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมที่เป็นไปในฝ่ายคุลวิเศษที่แทงตลอดได้ยากที่ควรให้เกิดขึ้นที่ควรรู้ยิ่งที่ควรทาให้แจ้ง ธรรมะหนึ่งถึง1ิประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบแบ่งธรรมะแต่ละประการเป็นหมวดหมวดละสิบข้อดังนี้ธรรมะหนึ่งประการได้แก่ธรรมะหนึ่งประการที่มีอุปการะมากคือความไม่ประมาทในกุศ ล, ลธรรมทั้งหลาย ธรรมะหนึ่งประการที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหะรคตรหรือสหะรคตะด้วยความสําราญธรรมะหนึ่งประการที่ควรกําหนดรู้คือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปาทานธรรมะหนึ่งประการที่ควรละคืออัสมิมานะความถือตัวว่าเป็นเรา ธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออโยนิโสมนสิการธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายกุณวิเศษคือโยนิโสมนสิการธรรมะหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากคือเจโตสมาธิอันมีลำดับติดต่อกันไปธรรมะหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นคือยานอันไม่กำเริบ ธรรมะหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารธรรมะหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งคือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบธรรมะสองประการธรรมะสองประการที่มีอุปการะมากได้แก่สติความระลึกได้ และสัมปัสชัญญะความรู้ตัวธรรมะสองประการที่ควรเจริญคือสมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิลาวิปัสสนาความเห็นแจ้งธรรมะสองประการที่กวรกำหนดรู้คือนามและรูปธรรมะสองประการที่กวรละคืออวิชชาความไม่รู้แจ้ง และภาวะตัณหาความอยากในภพธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคือโทวจัสตตาความเป็นผู้ว่ายากและปาปามิตตาความมีบาปมิตรธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคือโสวจัสตตาความเป็นผู้ว่าง่ายและกัลายานามิตตาความมีกัลายานามิตร ธรรมะสองประการที่แทงตลอดได้ยากคือ 1. ธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายและสองธรรมะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายธรรมะสองประการที่กวรให้เกิดขึ้นคือยานสองได้แก่ขยะยานความรู้ในการสิ้นกิเลส และอนุ ป, ปาทยานความรู้ในการไม่เกิดกิเลสธรรมะสองประการที่ควรรู้ยิ่งคือธาตุสองได้แก่สังคตธาตุธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและอสังคตธาตุธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งธรรมะสองประการที่ควรทําให้แจ้งคือวิชาความรู้แจ้งและวิมุติ ความหลุดพ้นธรรมะสามประการธรรมะสามประการที่มีอุปการะมากคือ 1. สัพุริสังเสวะวการคบหาสัต บ, บุรุษ 2. ส, สัตธรรมสวนณะการปั่งพระสัทธรรม 3. ธรรมานุธรรมะปฏิปัติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะสามประการที่ควรเจริญคือสมาธิสได้แก่สมาธิที่มีทั้งวิตกและมีวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจาร ธรรมะสามประการที่ควรกำหนดรู้คือเวทนาสาได้แก่สุขเวทนาความรู้สึกสุขทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขและอัตุขรมะสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขธรรมะสามประการที่ควรละคือตัณหาสาได้แก่กามตัณหาความทยานอยากในกามภาวะตัณหา ความทยานอยากในภพวิภาวะตัณหาความทยานอยากในวิภพธรรมะสามประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออกุศลมูลสามได้แก่อกุศลลมูลคือโลภความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายอากุศลลมูลคือโมหะความหลง ธรรมะสาประการที่เป็นไปในฝ่ายกุณวิเศษคือกุศลมูลสาได้แก่กุศลลมูลคืออโลภะความไม่อยากได้กุศลลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลงธรรมะสามประการที่แทงตลอดได้ยากคือท่าที่สลัดสามได้แก่หนึ่ง ท่าที่สลัดการคือเนคขมมะในที่นี้หมายถึงอนาคามีมักสองท่าที่สลัดรูปคืออรูปในที่นี้หมายถึงอรหัตตมักในอรูปประพบและ 3. การสลัดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือนิโรธในที่นี้หมายถึงอรหัตตผล ธรรมะสมประการที่ควรให้เกิดขึ้นคือยานสามได้แก่อตีตังสยานยานอย่างรู้ส่วนอดีตอนาคตังสยานยานอย่างรู้ส่วนอนาคตและปัจจุบันนางสยานยานอย่างรู้ส่วนปัจจุบันธรรมะสามประการที่กวรรู้ยิ่งคือธาตุสามได้แก่กามาธาตุธาตุคือกามาภพ รูปธาตุธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุธาตุคืออรูปภพธรรมะสามประการที่ควรทำให้แจ้งคือวิชาสา 3. ได้แก่ 1. วิชาคือความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกถึงชาติก่อนได้ 2. วิชาคือความอย่างรู้การจุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและส วิชาคือความอย่างรู้ในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายธรรมะสี่ประการธรรมะสี่ประการที่มีอุปการะมากคือจักสีได้แก่ปฏิรูปรเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดีสัปุริสังเสวะการคบหาสัต บ, บุรุษอัตสัมมาปนิธิ ตั้งตนไว้ชอบและปุพเพกะตาปุญญาตาความเป็นคู่ได้ทําความดีไว้ในก่อนแล้วธรรมะสี่ประการที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ และพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปัช ญ, ญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ธรรมะสี่ประการที่ควรกำหนดรู้คืออาหารสี่ได้แก่กาวริงการอาหารอาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดผัดสาหารอาหารคือผัดสัต์มโนสัญญาเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญญาเจตนาและวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณธ ร, รมมะสี่ประการที่คว ล, ละคือโอคะหมายถึงห้วงน้ําคือกิเลสได้แก่กาโมคะโอค ะ, ะคือกามภะโวคะโอค ะ, ะคือภพทิฏโทคะโอคะคือทิฏฐิและอวิชโชคะโอคะคืออวิชชา ธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคือโยคะหมายถึงเครื่องเกาะเกี่ยวได้แก่กามโยคะโยคะคือกามภวะโยคะโยคะคือพบทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิและอวิชายโยคะโยคะคืออวิชชาธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ คือวิสังโยคะหมายถึงความพรากได้แก่การมโยคะวิสังโยคะความพรากจากาการมโยคะภวะโยคะวิสังโยคะความพรากจากภวะโยคะทิดถิโยคะวิสังโยคะความพรากจากทิดิโยคะและอวิชาโยควิสังโยคะความพรากจากอวิชาโยคะ ธรรมะสีประการที่แทงตลอดได้ยากคือสมาธิสี่ได้แก่หาณภาคิยะสมาธิสมาธิป่ายเสื่อมทิติภาคียะสมาธิสมาธิฝ่ายดำรงวิเศษภาคิยะสมาธิสมาธิฝ่ายวิเศษนิเพทภาคียะสมาธิสมาธิป่ายจ ำ, ำแรกกิเลส ธรรมะสี่ประการที่กวรให้เกิดขึ้นคือญาณสีได้แก่ธรรมญาณความรู้ในธรรมะอันวิยญาณความรู้ในการคล้อยตามบาริยะญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นและสมมติญาณความรู้ในสมมติธรรมะสี่ประการที่กวรรู้ยิ่งคืออริยสัจ ส, สี ได้แก่ทุกขอริยสัจอริยสัจคือทุกขทุกขะสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ทุกขะนิโรธาอริยสัจอริยสัจคือความดับแห่งทุกขและทุกขะนิโรธาขามิหนีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกธรรมะสี่ประการที่ควรทําให้แจ้ง คือสามัญญผลผลแห่งความเป็นสมณะได้แก่โสดาปฏิผลสกาทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลธรรมะห้าประการธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมากคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียรห้าได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้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 2. เป็นผู้มีอาพาธน้อยโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้วดไม่มีมายาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือเพื่อนปรมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารกความเพียร เพื่อลักอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ห้าเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํแระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่คือธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมาก ธรรมะห้าประการที่ควรเจริญคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยองค์ห้าได้แก่มีปิติแผ่ไปมีสุขแผ่ไปมีการกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไปมีแสงสว่างแผ่ไปและปัญจเวกขณะยานเป็นนิมิตธรรมะห้าประการที่ควรกำหนดรู้คืออุปทานขันห้า กองแห่งความยึดมั่นได้แก่รูปูปาทานขันอุปทานขันคือรูปเวทนูปาานขันอุปทานขันคือเวทนาสัญญูปาานขันอุปทานขันคือสัญญาสังขารูปปานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาานขันอุปาทานขันคือวิญญาณ ธรรมะห้าประการที่กวรละคือนิวรณ์หได้แก่กามาชันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดร้ายที่นมิทะความหดหู่และเสื่องซึมอุทธจักกุบกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม คือกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูหได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. แคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพระมารีทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิษขาและจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบนเนื่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปู ธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออินทรีห้าได้แก่สัตทินทรียอินทรีย์คือสัทธาวิริอินทรีย์อินทรียคือวิริยะสตินทรีอินทรีย์คือสติสมาทินทรียอินทรีย์คือสมาธิและปัญญทรียอินทรียคือปัญญาธรรมะห้าประการที่แทงตลอดได้ยาก คือธาตุที่สลัดหได้แก่ 1. เมื่อภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้มนานัสิกการการมทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อนใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในการมทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนานัสิการเนคขมมะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อนใสตั้งอยู่น้อมไปในเนคขมมะจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดําเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นแล้วรากออกดีแล้วจาักรามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะการเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าท่าที่สลัดกรรมทั้งหลาย 2. เมื่อภิกษุมณสิการพยาบาท จิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมณสิกาอัพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอัพยาบาทจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดาเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วราบออกดีแล้วจากพยาบาท เธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร้าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าท่าที่สลัดพยาบาท 3. เมื่อภิกษุมนาสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสา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 เธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นมีพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าท่าที่สลัดวิหิงสา 4. เมื่อภิกษุมนาสิกา ร, รูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนาสิกาอารูปจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูป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 เมื่อภิกษุมนสิการสักกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อนใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสักกายะแต่เมื่อเธอมนสิการสักกายะนิโรธคือความดับแห่งสักกายะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อนใสตั้งอยู่น้อมไปในสักกายะนิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากสักกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนซึ่งเกิดขึ้นเพราะสั ก, กายะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวอยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ า, า ท, ท่าทิศหลัดส ก, กายะทั้งห้าประการนี้คือธรรมะที่แทงตลอดได้ยาก ธรรมะห้าประการที่กวนให้เกิดขึ้นคือสมาสมาธิประกอบด้วยญาณหได้แก่ 1. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปสมาธิในที่นี้หมายถึงอรหัตตาพลสมาบัติหรือมักคะสมาธิ 2. ยานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธิเป็นอริยปราศจากอามิตรอามิตรในที่นี้หมายถึงกามวัตตะและโลกสายานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มิใช่บุรุษชั่วเสพแล้วมิใช่บุรุษชั่วในที่นี้หมายถึงมหาบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นสี่ ยานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุดขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการคมห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิตสสังขารจิตแปลว่าจิตที่ถูกสังขารกระตุ้นเตือนในที่นี้หมายถึงรูปาวาจรกุศลจิตและอรูปาวาจรกุศลจิต ห้ายานย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรานั้นมีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้นี่คือธรรมหรือธรรมะห้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะห้าประการที่ควรรู้ยิ่งคือวิมุตตายตนะห้าเหตุแห่งความหลุดพ้นได้แก่ 1. พระศาสดาหรือเพื่อนปรมมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัฏถารู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนปรมมารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏถารู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติ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 เธอรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะตามที่ตนได้สดับและตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอแสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่สอง สพระศาสดาหรือเพื่อนพระมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัจริะรู้แจ้งธรรมะตามธรรมะที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา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 ในธรรมะตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาที่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจเมื่อเธอรู้แจ้งอัฏฐ์รู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่สี หพระสาสดา ห, หรือเพื่อนพรมจารีบางรูปกู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้ไปแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจ ซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีบรรณสิการดีทรงจําไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดีบรรณสิการดีทรงจําไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญา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 ธรรมะห้าประการที่ควรทาให้แจ้งคือธรรมขันห้าได้แก่ศีลขันกองศีลสมาธิขันกองสมาธิปัญญาขันกองปัญญาวิมุตติขันกองวิมุตติวิมุตติญาณทัศนขันกองวิมุตติญาณทัศนะ ธรรมะหกประการธรรมะหกประการที่มีอุปการะมากคือสารณียธรรมหกได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งตั้งมั่นเมตตากายกรรม 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมสมตั้งมั่นเมตตามนโนกรรมในเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งไหนที่แจ้งและไหนที่รับ แม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันประการที่สบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบินทบาทคืออาหารในบาตรบริโภครวมกับเพื่อนโรมจารีทั้งหลายผู้มีศีล แม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันหมีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดางไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สัรเสริญไม่ถูกตัญหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอ ก, กันกับเพื่อนพรมจารีทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่รับ มีอริยทิฏฐิอันเป็นธรรมะเครื่องนอําออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทําตามเสมอกันกับเพื่อนปรมจารีทั้งหลายทั้งไหนที่แจ้งและในที่รับทั้ง6ประการนี้เป็นสารณียธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกันนี้คือธรรมะอุปการที่มีอุปการรักมากธรรมะอุปการที่ควรเจริญคืออะไรคืออนุสติฐานหกได้แก่พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมสังขานุสติการระลึกถึงพระสง์ ศีลานุสติการระลึกถึงศีลจาคานุสติการระลึกถึงการบริจาคเทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาธรรมะหกประการที่ควรกาหนดรู้คืออะไรคืออายตนะภายในหกได้แก่จักขวายตนะอายตนะคือตาโสตายตนะ อายตนะคือหูขานายตนะอายตนะคือจมูกชิวหายตนะอายตนะคือลิ้นกายายตนะอายตนะคือกายและมนายตนะอายตนะคือใจธรมมะหกประการที่กวนละคืออะไรคือหมวดตันหาหกได้แก่รูปตันหาความอยากได้รูป สัธตัตหาความอยากได้เสียงคันธตัตหาความอยากได้กลิ่นประสัตตัะหาความอยากได้รสโอทัพ ภ, ภตันหาความอยากได้โอทัพภะและธรรมตันหาความอยากได้ธรรมารมณ์ธรรมะอกประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออคคารวะอกได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในความไม่ประมาทและในปฏิสันถานธรรมะอกประการที่เป็นไปในฝ่ายกุณวิเศษคืออะไรคือคารวะหกได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ อยู่ยังมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศิกขาในความไม่ประมาทและในปฏิสันฐานธรรมะอกประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือทาาที่สลัดหกได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หากกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโต ว, วิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วแต่พยาบาทคือความคิดร้ายก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธออย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญเมตตาเจโต ว, วิมุตต์แล้วทำให้มากแล้ว แต่พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโต ว, วิมุต t นี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท 2. หากมีภิกษุในพระธรรมวิัยนี้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโต ว, วิมุตตแล้วทำให้มากแล้วแต่วิหิงสาความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอ อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญกรุณาเจโต ว, วิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะกรุณาเจโต ว, วิมุตต์นี้เป็นท่าที่สลัดวิหิงสา 3. หากมีภิกษุในพระธรรมวิในนี้กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วแต่อรติความไม่ยินดีก็ยังครอบงําจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตต์แล้วทําให้มากแล้วแต่อรติก็ยังครอบงําจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เราะมูธิตาเจโตวิมุต t นี้เป็นท่าที่สลัดอารติ 4. หากมีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้วแต่ราคะคือความกำหนัดยินดีก็ยังครอบงามจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตตแล้วทำให้มากแล้วแต่ราคะก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นท่าที่สลัดราคะหา 5. หากมีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้เจริญอนนมิตาเจโตวิมุตต์แล้วทำให้มากแล้ว แต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกสุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอว่าอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกสุได้เจริญอนิมิตตาเจโตวิมุตตแล้วทำให้มากแล้วแต่วิญญาณของภิกสุนั้นก็ยังแสหานิมิตอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอานิมิตตาเจโตวิมุตตนี้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 เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุราศจากอาสมิมาณะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นนี้แต่ลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงาจิตของภิกษุนั้นอยู่ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอาสมิมาณะนี้เป็นท่าที่สลัดลูกสอนคือความเคลือบแคลงสงสัยทั้งหกประการ น, นี้คือธรรมะที่แทงตลอดได้ยาก ธรรมะหกประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสตตวิหารธรรมธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นนิดของพระขี่นาศพได้แก่เห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผวดตาพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจ มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ธรรมะอกประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุตตริยะความยอดเยี่ยมได้แก่ทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมสวนานุตตริยะการฟังอันยอดเยี่ยมลาพานุตตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสิกานุตตริยะ การศึกษาอันยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยมอนุสตานุตตริยะการระลึกอันยอดเยี่ยมธรมมะหกประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออภิน ญ, ญาหกได้แก่หนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง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 ใช้ฝ่ามือลูกคลมดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรโมโลกก็ได้ 2. ภิกษุนั้นได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 3. ภิกษุนั้น กำหนดรู้จิตของสัตว<อ>์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะ <S <S 2> <S 2> ก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะมีโทสะมีโมหะปดหูเป็นมหคตาหรือมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีโทสะมีโมหะอดหูเป็นมหคตาจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิ หรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ totally so> ้นก็ร at ู้ว่าไม่หลุดพ้น 4. ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง3 4 5สี่ห้าชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30ชาติบ้าง1 0 0ชาติหนึ่พชาติ 100,000 ชาติบ้าง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 ภิกษุนั้นทำให้แจ้งเจตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทั้ง6ประการนี้คือธรรมะที่ควรทำให้แจ้งธรรมะเจประการธรรมะเจ็ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคืออริยสัพจ ได้แก่ศรัทธาธนะซับคือศรัทธาศีลธนะะรับคือศีลหิริธนะซับคือหิริโอตตปะธนะซับคือโอตตปะสุตตธนะะรับคือสุตะจารคธนนะรับคือจารคปัญญาธนนะรับคือปัญญาธรรมะเจ็ดประการที่กวรเจริญคืออะไร คือสัมพโพชงเจ็ดได้แก่สติสัมพโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ธรรมวิจยสัมพโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเป็นธรรมวิริยะสัมพโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรปีติสัมพโพชงธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจปสัสสธิสัมพโพชง ธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางธรรมะเจ็ประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ได้แก่ 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกะบางพวกนี้เป็นวิญญาณทิติที่หนึ่ ง, งมีสัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นโพรมากายกาเทพผู้นับเนื่องในหมูม่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นวิญญาณทิติที่สอง สมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สามสีมีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะเทพผู้เต็มไปด้วยความงดงามนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่สี่ห มีสัตว์ทั้งหลายบรรลุอากาศสานัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่ห6มีสัตว์ทั้งหลายล่วงอากาศานัญจายตนะชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะชาญโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ นี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่หกมีสัตว์ทั้งหลายล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิที่เจดทั้งเจ็ดประการนี้คือธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะเจ็ดประการที่ควรละคืออะไร คืออนุสัยเจ็ดได้แก่กามราคานุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกามปฏิคานุสัยอนุสัยคือความยินร้ายคิดฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัยมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัวภวราคานุสัย อนุัสคือความติดใจในภพและอวิชานุัยอนุใยคือความไม่รู้แจ้งธรรมะเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออสัตธรรมเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีหิริเป็นผู้ไม่มีโอตตปะเป็นผู้มีสุตะน้อย เป็นผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีสติหลงลืมและเป็นผู้มีปัญญาสามธรรมะเจ็ดประการที่เป็นไปในฝ่ายกุณวิเศษคืออะไรคือสัตธรรมเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตับ ป, ปะเป็นพรหูสูตรเป็นผู้ปรารบความเพียรเป็นผู้มีสติมั่นคง และเป็นผู้มีปัญญาธรรมะเจ็ดประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือสัพปริสธรรมเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมัญยุผู้รู้จักเหตุเป็นอัฏฐัญยผู้รู้จักผลเป็นอัตตัญยุผู้รู้จกักตนเป็นมัตตัญยูผู้รู้จกัปจกประมาณ เป็นกาลันยูผู้รู้จักเวลาเป็นปริสัญญูผู้รู้จักชุมชนและเป็นอุคลักษัญญูผู้รู้จักบุคคลธรมมะเจ็ดประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาเจ็ดได้แก่อา น, นิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอนัตตสัญญา กำหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมะทั้งปวงอสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกายอธินวะสัญญากำหนดหมายทุกโทษของกายอันมีความเจ็บไข้ต่างๆปานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมะละเอียดประณีต และนิโรธสัญญากำหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมะละเอียดประณีตธรรมะเจ็ดประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือนิทัศวัตถุเจ็ดได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีสันทอยังแรงกล้าในการสมทานสิกขา และไม่ปราศจากความรักในการสมทานสิกขาต่อไป 2. เป็นผู้มีสันทะอยยังแรงกล้าในการใกล้ครวญธรรมและไม่ปราศจากความรักในการใกล้ครวนธรรมต่อไป 3. เป็นผู้มีสันทะอยยังแรงกล้าในการกำจัดความอยากและไม่ปราศจากความรักในการกำจัดความอยากต่อไป 4. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการหลีกเร้นและไม่ปราศจากความรักในการหลีกเร้นต่อไป 5. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในการปรารบความเพียรและไม่ปราศจากความรักในการปรารบความเพียรต่อไป 6. เป็นผู้มีฉันทะอย่างแรงกล้าในสติปัญญาเครื่องรักษาตนและไม่ปราศจากความรักในสติปัญญาเครื่องรักษาตนต่อไป เจ็ดเป็นผู้มีสันทอยังแรงกล้าในการแทงตลอดทิฏฐิและไม่ปราศจากความรักในการแทงตลอดทิฏฐิต่อไปทั้งเจ็ดประการนี้คือธรรมะที่กวรรู้ยิ่งธรรมะเจ็ดประการที่กวรทำให้แจ้งคืออะไรคือกำลังของพระขีณาสพเจ็ได้แก่หนึ่ง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 เห็นว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้ก็เป็นกําลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปิญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้ว3จิตของภิกษุขีณาศพเป็นธรรมชาติน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวก ยินดียิ่งในเนคขมมะปราชาเงื่อนธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวง 4. ี่สติปทานสเป็นธรรมะที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้ว 5. อินทรีย์าเป็นธรรมะที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้ว 6. โพตรชงเจ็เป็นธรรมะที่ภิกษุขีณาศพ จเจริญอบรมดีแล้วเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดเป็นธรรมะที่ภิกษุขีณาศพเจริญอบรมดีแล้วทั้งเจ็ดประการนี้เป็นกำลังของภิกษุขีณาศพที่ภิกษุขีณาศพอาศัยปติญญาความสิ้นอาสวะทั้งหลายว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนี้คือธรรมะเจ็ดประการที่ควรทำให้แจ้ง ธรรมะแปดประการธรรมะแปดประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือเหตุปดประการปรจัจใจแปดประการเป็นไปเพื่อได้ที่พรมมจริยกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไผ่บูญเจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วเหตุแปประการปรจัจใจแปดประการคืออะไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ หเป็นผู้มีฮิริโอตตะปักมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระาศาสดาหรือในเพื่อนพรมจารีบางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่ 2. เป็นผู้มีฮิริโอตตะปักมีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระาศาสดาหรือในเพื่อนพรมจารีบางรูปซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่ เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควรสอบถามไต่สวนว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่เปิดเผยจะทําให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอสครั้นฟังธรรมะนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็นสองประการคือความสงบเย็นทางกายและความสงบเย็นทางจิต 4. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์เพียกพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมถทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายห เป็นพระหูสูตรทรงสุดตาสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิห เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อลอักอกุศลละธรรมเพื่อให้กุศลลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลลธรรมทั้งหลายอยู่ 7. เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคําที่พูดแม้นานได้ 8. พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปทานขันห้าอยู่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ทั้ง8ข้อนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นไปเพื่อได้อธิปรมาจาริยกะปัญญาที่ยังไม่ได้เพื่อพินโยภาพไภบู์เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี้คือธรรมะแปดประการที่มีอุปการะมากธรรมะแปประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ ความด â ริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทมชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบธรรมะแปประการที่ควรกําหนดรู้คืออะไร คือโลกธรรมแปดได้แก่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขและทุกข์ธรรมะแปประการที่กวนละคืออะไรคือมิจฉาธรรมธรรมะที่ผิดแปดประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกปะความดำริผิด มิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากรรมตะกระทำผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดมิจฉาวายามะพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดและมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดธรมมะแประการที่เป็นในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกุศิตะวัตถุเหตุแห่งความเกียรตคร้าน แปดประการได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำจึงคิดว่าเราจักต้องทำงานเมื่อเราทำงานอยู่กายจักเมื่อยล้าอยากระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุทำงานแล้วจึงคิดว่าเราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงาน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 ภิกษุเดินทางแล้วเธอคิดว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางกายเมื่อยล้าแล้วอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุเที่ยวบินธบาตไม่ได้โภชนะเพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดว่าเราเที่ยวบินธบาตไม่ได้โภชนะเพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเมื่อยล้าแล้วไม่กวรแก่การงานอยากกระนั้นเลยเราจะนอนเธอจึงนอนเสียไม่ปรารศความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุภิกษุเที่ยวบินธบาตได้โภชนะบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดว่าเราเที่ยวบินธบาตได้โภชนะบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการแล้วกายของเรานั้นหนัก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 นี่คือธรรมะแบบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะแประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคืออรัมภวัตถุเหตุแห่งการปรารบความเพียรได้แก่หนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องทำเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานเมื่อเราทำงาน การจะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. ภิกษุทธทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสามพิุต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราเดินทางอยู่จะใส่ใจคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่ทาได้ง่ายอยากระ น, นั้นเลยเราจะรีบร่ารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสี่กษุเดินทางแล้ว เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางแล้วเมื่อเดินทางอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้อยากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียนเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 5. ภิกษุเที่ยวบินบาีไม่ได้โภชนะเพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้โภชนะเพียงพอตามต้องการ กายของเรานั้นเบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุหกภิกษุเที่ยวบินธบาตได้โภชนะเพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้โภชนะเพียงพอตามต้องการแล้วร่างกายของเรานั้นมีกําลังควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลย เราจะรีบปรารบความเพียรบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเจภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเพื่อมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากรณนั้นเลยเราจะรีบรารรบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุแป ภิกษุหายอ า, าพาธแล้วแต่หายอ า, าพาธยังไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะกลับกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารบความเพียรเธอจึงปรารพความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง นี่คือธรรมะแปประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะแปประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือการหรือเวลาที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้แก่พระตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้แล้ว และทรงแสดงธรรมคืออริยสัจสีที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อเบรินิพานคือความดับกิเลสให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วธรรมะแปดประการที่แทงตลอดได้ยากคือการเวลาที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาได้แก่ 1. บุคคล น, นั้นเป็นผู้เข้าถึงนรก ตกนรกเกิดเป็นสัตว์นรก 2. เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 3. เป็นผู้เข้าถึงเปรตวิสัยเกิดเป็นเปรต 4. เป็นผู้เข้าถึงเท พ, พนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่ง 5. เป็นผู้กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทคือเมืองชายแดนห่างไกลแร้นแค้น อยู่ในพวกมิลักข์กูไม่รู้เดียงสาที่ไม่มีพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผ่านไปมา 6. เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชิมะชนบทคือเมืองที่เจริญอุดมสมบูรณ์มีพุทธบริษัทผ่านไปมาแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล คนวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีบารดาบิดาไม่มีคุณอบปฏิกสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้ 7. เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชิ ม, มชนบทคือเกิดในเมืองเจริญ แต่เป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุกภาษิตได้ 8. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและไม่ทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศแล้วถึงบุคคลนี้จะกลับมาเกิดในมชิมชนบท และเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาไม่โง่เขลาสามารถรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้นี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติโปรมะจันทั้งหมดนี้คือธรรมะแปดประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะแปดประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไร คือความตรึกของมหาบุรุษบาประการได้แก่ 1. น่นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้มักน้อยไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้มักมาก 2. นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้สันโดษไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้ไม่สันโดษ 3. นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลี 4. ี นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้ปรารจกความเพียรไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้เกียจคร้าน 5. นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้หลงสติ 6. นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่น 7. นี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้มีปัญญาซ้ำแปดนี้เป็นธรรมะของบุคคลผู้ยินดีในนิปปะปัญจธรรมผู้พอใจในนิปปะปัญจธรรมไม่ใช่ธรรมะของบุคคลผู้ยินดีในปัปปัญจธรรมผู้พอใจในปัปปัญจธรรมนิปปะปัญจธรรม ในที่นี้หมายถึงธรรมะที่ปราศจากสิ่งปรุงแต่งคือมานะตัณหาและทิฏฐิทั้งแปดข้อนี้คือธรรมะแปดประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะแปดประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออภิพายตนะแปดได้แก่หนึ่งภิกษุรูปหนึ่ง มีรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 2. ภ <defin ia. S 1> ิกษุรูปหนึ่งมีรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีญญสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 3. บุคคลหนึ่งมีอรูปประสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 4. บุคคลหนึ่งมีอรูปปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงามรูปเหล่านั้นได้ มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 5. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 6. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเป็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลือง เปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงามรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นเจ็ดบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงามรูปเหล่านั euh. ้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 8. บุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นทั้งหมดนี้คือธรรมะแประการที่ควรรู้ยิ่ง ธรรมะแปดประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือวิโมก8์ได้แก่ 1. บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลาย 2. บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก 3. บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น 4. บุคคลบรรลุอากาศานัญจาตนะชาญ โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวง 5. บุคคลล่วงอากาศสานัญจายตนะชาโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะชาโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ 6. บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะชาโดยประการทั้งปวง บรรลุอากิจัญญายตนะฌานโดยกาหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 7. บุคคลล่วงอากิจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะฌานอยู่ 8. บุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทีตานิโรธอยู่ นี่คือธรรมะ8ประการที่กวรทาให้แจ้งธรรมะเก้าประการธรรมะเก้าประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือธรรมะมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9ประการได้แก่บุคคลมาสิการโดยแยกไขปราโมทย่อมเกิด เมื่อมีปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายได้เองเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำนัดจึงหลุดพ้นธรรมะเก้าประการที่กวรเจริญคืออะไรคือองค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์เก้าได้แก่องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือศีละวิสุทธิความหมวดจดแห่งศีลจิตตะวิสุทธิความหมวดจดแห่งจิตทิดิวิสุทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิกังขาวิตรณะวิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยมัคคามัคคยานทัทสนะวิสุทธิความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางปฏิปธายานทัทสนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นทางดำเนิน ยานัศสนะวิสุทธิความหมวดจดแห่งยาทัศนะปัญญาวิสุทธิความหมวดจดแห่งปัญญาและวิมุตติวิสุทธิความหมวดจดแห่งความหลุดพ้นนี้คือธรรมะเก้าประการที่ควรเจริญธรรมะเก้าประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไร คือสัตตาวาดก้าวได้แก่ 1. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิปาติกักบางพวก 2. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นปรมายิกาเกิดในปฐมฌาน 3. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกันคือพวกเทพชั้นอภัสระสี 4. มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นสุภกินหะห้ามีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตตพรรมห Are, 2, <cellular. S 1> มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้หลอกลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวง 7. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาศสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ แมีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไร 9. มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะฌานนี้คือธรรมะเก้ประการที่ควรกำหนดรู้ ธรรมะเประการที่กวน ล, ละคืออะไรคือธรรมะมีตัณหาเป็นมู ล, ลเหตุ9ได้แก่ 1. เพราะอาศัยตัณหาปริเยสนาคือการสแสวงหาจึงเป็นไป 2. เพราะอาศัยปริเยสนาลาภะการได้จึงเป็นไป 3. เพราะอาศัยลาภวินิจฉัยการกําหนด จึงเป็นไป 4. เพราะอาศัยวินิจฉัยชันทราคะความกาหนดด้วยอำนาจความพอใจจึงเป็นไป 5. เพราะอาศัยชันธราคะอัชโชษาณนะความหมกมุ่นฝังใจจึงเป็นไป 6. เพราะอาศัยอัชโชษาณนะบริะหะการยึดถือครอบครองจึงเป็นไป 7. เพราะอาศัยปริฆหะมัจฉริยะคือความตรนีจึงเป็นไป 8. เพราะอาศัยมัจฉริยะอารักขะคือความหวงกั้นจึงเป็นไป9เพราะอาศัยอารักขะเป็นเหตุบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกที่เกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้การถือสัตว์ราการทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาท การกล่าวขึ้นเสียงว่ามึงมึงและการพูดเท็จจึงเป็นไปนี้คือธรรมะเก้าประการที่กวรละธรรมะเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออาคาตวัตถุเหตุผูกอาคาตก้าประการได้แก่บุคคลย่อมผูกอาคาตว่า ผู้นี้ได้ทํากําลังทําจักทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาคตว่าผู้นี้ได้ทํากําลังทําจักทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รับที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาคตว่าผู้นี้ได้ทํากําลังทําจักทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบพอของเรานี้คือธรรมะเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะเก้าประการที่เป็นไปในฝ่ายกุลวิเศษคืออะไรคืออุบายเป็นเครื่องกําจัดอาฆาต9้าประการได้แก่บุคคลย่อมกําจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำกาลังทำ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 ธรรมะเประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือนานัตตะสภาวะที่ต่างกัน9ประการได้แก่ 1. ความต่างกันแห่งธาตุธาตุในที่นี้หมายถึงธาตุสิบแปมีจักรุธาตุเป็นต้น 2. เพราะ อ, อาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งภาษาจึงเกิดขึ้น 3. เราอาศัยความต่างกันแห่งพัสสะความต่างกันแห่งเวทนาจึงเกิดขึ้น 4. ี่เราอาศัยความต่างกันแห่งเวทนาความต่างกันแห่งสัญญาจึงเกิดขึ้น5้าเราอาศัยความต่างกันแห่งสัญญาความต่างกันแห่งความดาริดจึงเกิดขึ้นหกเราอาศัยความต่างกันแห่งความดาริด ความต่谢谢างกันแห่งความพอใจจึงเกิดขึ้น7เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความพอใจความต่างกันแห่งความเร่าร้อนจึงเกิดขึ้น8เพราะอาศัยความต่างกันแห่งความเร่าร้อนความต่างกันแห่งการแสวงหาจึงเกิดขึ้น9เพราะอาศัยความต่างกันแห่งการแสวงหา ความต่างกันแห่งการได้จึงเกิดขึ้นนี่คือธรรมะเก้าประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ9ก้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญา9ก้าได้แก่อสุภสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกายบรณะสัญญา ความกำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงอาหารเรปฏิกูลสัญญาความกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารสัพพโลเก อ, อนาิรตสัญญาความกำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอนิจจสัญญาความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอานิเจทุกขสัญญา ความกาหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกเขอะอนัตตสัญญาความกาหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหานสัญญาความกาหนดหมายเพื่อล้าอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคะสัญญาความกาหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีต นี่คือธรรมะเก้าประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะเก้าประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคืออนุปปภวิหาร9ก้าได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งสงัดจากรกามและอาุสนละธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปบรรลุทุติยชาญที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งกุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข4เพราะละสุขและทุกข์ได้ราะโสมณัตและโทมณัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตตะฌานที่ไม่มีทุกข์และสุขมีสติบริสุทธิราะอุเบกขาอยู่ห บรรลุอากาสารนัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนา น, นัตสัญญาโดยประการทั้งปวงหกลวงอากาสารนัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณ น, นัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่เจ็ด ลวงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ 8. ปดลวงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานอยู่ 9. ล่วงเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทอิตานิโรธอยู่ นี้คือธรรมะเก้าประการที่กวรรู้ยิ่งธรรมะเก้าประการที่กวรทำให้แจ้งคืออะไรคืออนุปุภนิโรธ9้าได้แก่ 1. การมสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานดับไป 2. วิตกวิจารณ์ของผู้เข้าทุติยฌานดับไป 3. บีติของผู้เข้าตติยะฌานดับไป 4. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานดับไป 5. รูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานรนจายตนะฌานดับไป 6. อาการสาร น, นจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณันจายตนะฌานดับไป 7. วิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานดับไป 8. อากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานดับไป 9. สัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทอิตานิโรธดับไปนี้คือธรรมะเก้ประการที่ควรทําให้แจ้ง ธรรมะสิบประการธรรมะสิบประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือนาถากาณธรรมสิบธรรมะเครื่องประธรรมที่พึ่งได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจรการเที่ยวไป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 แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี 4. เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องทาให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพห เป็นผู้ขยันไม่เกียดคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ําของเพื่อนปรมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้ 6. เป็นผู้ใคร่ธรรมะเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทอย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยเเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินท บ, บาทเสนาส น, นะและคิฬานปัจจัยเษสัตบริหารตามแต่จะได้ 8. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง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 ชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบทั้งหมดนี้คือนาถการณธรรมส0ธธรรมะเครื่องกระทำที่พึ่งเป็นธรรมะสิบประการที่มีอุปการะมากธรรมะสิบประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกสินนัยตนะบ่อกเกิดแห่งธรรมะที่มีกสินเป็นอารมณ์ ได้แก่บุคคลหนึ่งจำปัตวีกะสินได้กะสินคือดินจำอาโปกะสินได้กะสินคือน้ำจำเตโชกะสินได้กะสินคือไฟจำวายโกสินได้กะสินคือลมจำนิลกะสินได้กะสินคือสีเขียวจำปีตกะสินได้กะสินคือสีเหลืองจำโลหิตกะสินได้กะสินคือสีแดง จำโอทาตะะสัสินได้กะสินคือสีขาวจำอากาะกะสักสินได้กะสินคือความว่างและจำวิญญาณกสินได้กะสินคือวิญญาณจำกะสินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณนี้คือธรรมะสิบประการที่ควรเจริญ ธรรมะสิบประการที่กวรกําหนดรู้คืออะไรคืออายตนะสิบได้แก่จักขวายตนะอายตนะคือตารูปายตนะอายตนะคือรูปโสตายตนะอายตนะคือหูสัตทายตนะอายตนะคือเสียงคานายตนะอายตนะคือจมูกคันทายตนะอายตนะคือกลิ่น ชิวหายัตนะอายตนะคือลิ้นรสายตนะอายตนะคือรสกายายตนะอายตนะคือกายปทพายัตนาหายตนะคือปทพัชนี้คือธรรมะสิบประการที่ควรกําหนดรู้ธรรมะสิบประการที่ควร ล, ละคืออะไร คือมิจฉาตความเป็นธรรมะที่ผิดได้แก่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดมิจฉาวาจาเจรจาผิดมิจฉากรรมตกระทำผิดมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดมิจฉาวายามะพยายามผิดมิจฉาสติระลึกผิดมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด มิจฉาญาณนะรู้ผิดมิจฉาวิมุตตหลุดพ้นผิดนี้คือธรรมะสิบประการที่กวรละธรรมะสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออกุศลกรรมมาบทสิบ ท, ทางแห่งอกุศลกรรมได้แก่ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ อธินาทานการลักทรัพย์การเมสุมิชาจารการประพฤติผิดในการมุสาวาดการพูดเท็จปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดพรุสนาวาจาการพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะกการพูดเพ้อเจอ้ออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของของเขาพยาบาทความคิดร้ายและมิจฉาทิฐิความเห็นผิด นี่คือธรรมะสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลกรรมบทสิบทางแห่งกุศลกรรมได้แก่ปานาติปาตาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อธินาทานาเว ร, รมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ จามมสุมิฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จปิสุนนายวาจายเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดพรุษายาวาจายเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบสัมผัสปลาปาเวรมณี เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออนัพพิชาความไม่โลภอยากได้ของของเขาอพยาบาทความไม่คิดร้ายและสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้คือธรรมะสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายกุณวิเศษธรรมะสิบประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไร คืออริยวาทสิบธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะได้แก่ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้รักองค์ห้าได้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นผู้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นผู้มีอปปเสณธรรมธรรมะเป็นดุจพนพักพิงสี่ประการเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้ เป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นผู้มีความดําริอันไม่กุ่นมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีและเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละกามชันทะความพอใจในกามได้ เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้ายได้เป็นผู้ลักทินมิทักษือความหดปู่และเสื่อมซึมได้เป็นผู้ลักอุท ธ, ธจักกุต จ, จักคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจได้เป็นผู้ลักวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยได้ภิกษุเป็นผู้ลักองห้าได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หก เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผทตภะทางกายรู้แจ้งธรรมมารมทางใจแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติภิกษุเป็นผู้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แลภิกษุ เป็นผู้มีอปเสนธรรมสีประการเป็นอย่างไรคือภิกษุใน네พระธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งภิกษุกเป็นผู้มีอปเสนธรรมสีประการเป็นอย่างนี้แลภิกษุกเป็นผู้มีปเจกัสสัจอันบรเทาได้เป็นอย่างไร คือปจัจเจกสัตจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กําจัดได้สลักได้คลายได้ล่อยวางได้ลักได้สละคืนได้ภิกษุผู้มีปจัจเจกสัตจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีการสแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างไร คือภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้ละการแสวงหาพบได้ระงับการแสวงหาพรมจรรย์ได้ภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีความดําริอันไม่กุ่ญมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้เป็นผู้ละความดํารบลิในกามได้ เป็นผู้ละความดําริในพยาบาทคือการคิดร้ายได้เป็นผู้ละความดําริในวิหิงสาได้ภิกษุเป็นผู้มีความดําริอันไม่กุนมัวเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันรังับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้ว จึงบรรลุจัตุทัทธาฌานคือฌานที่สี่ที่ไม่มีทุก๊กไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์ระอุเบกขาอยู่ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นจากราคะมีจิตหลุดพ้นจากโทสะ ม, มีจิตหลุดพ้นจากโมหะ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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แลทั้งหมดนี้คือธรรมะสิบประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะสิบประการที่ควรให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัญญาสิบได้แก่อสุภาสัญญาความกำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย มรณสัญญาความกำหนดหมายความตายที่จะมาถึงเป็นธรรมดาอาหารเรปฏติกู ล, ลสัญญาความกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารสัพพโลเก อ, อนาพิรตสัญญาความกำหนดหมายความไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงอนิจจสัญญาความกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารอานิจเจทุกขสัญญา ความกําหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทุกเขอนัตตสัญญาความกําหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ปหาณสัญญาความกําหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลายวิราคะสัญญาความกําหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตนิโรธสัญญา ความกาหนดหมายนิโรธว่าเป็นธรรมะละเอียดปราณีตนี้คือธรรมะสิบประการที่กวนให้เกิดขึ้นธรรมะสิบประการที่กวนรู้ยิ่งคืออะไรคือนิชระวัตถุธรรมะที่ทำให้เสื่อมได้แก่มิจฉาทิฐิความเห็นผิดของผู้มีส ม, มาธิทิฐิความเห็นถูกย่อมเสื่อมไป มิจฉาสังกปะปปคือความดำ m ริผิดของผู้มีสัมมาสังกปะปคือความดำ m ริ i, ชอบย่อมเสื่อมไปมิจฉาวาจาคือการเจรจาผิดของผู้มีสัมมาวาจาคือเจรจาชอบย่อมเสื่อมไปมิจฉากัมมันตะการกระทำผิดของผู้มีสัมมากัมมันตะกระทำชอบย่อมเสื่อมไปมิจฉาอาชีวะการเลี้ยงชีพผิด ของผู<บ> <PTSD> ้มีสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบย่อมเสื่อมไปมิจฉาวายามะความพยายามผิดของผู้มีสัมมาวายามะย่อมเสื่อมไปมิจฉาสติการระลึกผิดของผู้มีสัมมาสติย่อมเสื่อมไปมิจฉาสมาธิการตั้งจิตมั่นผิดของผู้มีสัมมาสมาธิย่อมเสื่อมไปมิจฉาญาณะ ความรู้ผิดของผู้มีสัมมาญาณนะย่อมเสื่อมไปมิจฉาวิมุตตความหลุดพ้นผิดของผู้มีสัมมาวิมุตยย่อมเสื่อมไปคือบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกของบุคคลที่เกิดเพราะมิจฉาสิประการนี้ตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาวิมุตย์ย่อมเสื่อมไปเพราะกุศลธรรมเป็นอเนกย่อมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะสัมมาสิบประการคือตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คือธรรมะสิบประการที่ควรรู้ยิ่งธรรมะสิบประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคืออเสะธรรมสิบได้แก่สัมมาทิฏฐิที่เป็นอสศะสัมมาสังกัปปะที่เป็นอสศะ สัมมาวาจาที่เป็นอเศขสัมมากรมมันตะที่เป็นอเศขสัมมาอาชีวะที่เป็นอเศขสัมมาวายมะที่เป็นอเศขสัมมาสติที่เป็นอเศขสัมมาสมาธิที่เป็นอเศขสัมมาญานที่เป็นอเศขและสัมมาวิมุตติที่เป็นอเศขนี้คือธรรมะสิบประการ ที่ควรทำให้แจ้งธรรมะหมวดหนึ่งจนถึงหมวดสิบประการทั้งหมดนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการชั้นนี้จบถ้าสุดตราสูตร